สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนทักกรคนชอบเล่าวันนี้เรื่องลี้ลับที่ผมจะนํามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังจะขอยกเรื่องของวิชาควายธนูหรือบัวธนูวิชาคุณไสยอีกแขนงหนึ่งซึ่งมีปรากฏมาตั้งแต่โบราณการเป็นวิชาซึ่งสําเร็จด้วยเวทมนต์คาถาโดยการใช้ตอกสารขึ้นมาเป็นรูปบัวรูปควายตัวเล็กๆจากนั้นก็ปลูกเสกด้วยอาคมและก็ปล่อยทิ้งไว้ให้คอยเฝ้าพิทักษ์รักษาบ้านเรือนสมบัติ ของผู้เป็นเจ้าของหากมีศัตรูปล่อยคุณใสหรือสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามาทําร้ายวัวธนูหรือควายธนูนี้ก็จะสามารถช่วยป้องกันเอาไว้ได้อีกแง่หนึง่งก็ยังสามารถใช้เป็นอาวุธเพื่อไปทําลายศัตรูได้ด้วยเช่นกันวิชาวัวธนูหรือควายธนูนี้จัดว่าเป็นวิชาไสยศาสต ร, ร์ที่อยู่นอกพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่พวกที่นับถือพวกผีวิญ ญ, ญาณมักจะฝึกฝนในทางมิจฉาสมาธิกัน เล่าเรียนเมื่อเดือนสาเร็จแล้วก็มักจะทดลองโดยไม่คำนึงว่าผลร้ายจะไปตกอยู่แก่ผู้ใดแต่ตามบันทึกแล้วส่วนใหญ่ถือกันว่าวิชาควายธนูหรือวัวธนูนี้เป็นวิชาป้องกันตัวมากกว่าไปทำร้ายผู้คนแต่น่าเสียดายที่บันทึกจะมีไว้น้อยมากวันนี้เมื่อผมอยากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับวิชาควายธนูหรือวัธนูนี้แล้วผมจึงต้องไปหาข้อมูลมาก็ลองฟังกันดูนะครับจะเป็นยังไง เรื่องราวของวิชาควายธนูหรือวัวธนูนั้นที่เราสืบต่อกันมามีอยู่เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเป็นเรื่องที่ออกไปในแนวทางคําเล่าเขาว่าเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นในสมัยแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวงคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่หมีเรื่องเล่าสืบทอดกันมาว่าที่จังหวัดสระ บ, บุรีในสมัยนั้นน่ะยังไม่เจริญก้าวหน้าเช่นทุกวันนี้หรอกภูมิประเทศส่วนใหญ่ของตัวจังหวัดก็ยังอุดมไปด้วยป่าไม้หนาแน่น และเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าจํานวนมากชาวจังหวัดสระบุรีส่วนใหญ่ก็มีอาชีพทํานาทําไร่กันเป็นพื้นและณนะตำบลชายดงมีวัดเล็กๆอยู่วัดหนึ่งมีภิกษุสา ม, มนเณนรจำพรรษาอยู่ไม่กี่รูปวันหนึ่งมีพระธุดงค์ชาวเขมรมาขอจําพรรษาที่วัดแห่งนี้กับเจ้าอาวาสท่านเจ้าอาวาสท่านก็อนุญาตแต่หลังจากพระเขมรจำพรรษาได้ไม่นานก็เกิดเรื่องเดือดร้อนขึ้นในเขตชายดงกล่าวว่าคือมีเสือตัวใหญ่ตัวหนึ่งออกมาอลาวา่า กัดวัวกัดควายของชาวบ้านล้มตายไปเป็นจํานวนมากมีพรานมือดีไปดักยิงเสือตัวนี้หลายครั้งแต่ก็ยิงไม่เข้ากลับยิ่งทําให้เสือตัวนั้นยิ่งอลาวาตหนักขึ้นกว่าเดิมคราวนี้ก็ถึงกับฆ่าคนแต่ที่น่าประหลาดคนที่ถูกเสือกัดตายกลับไม่มีร่องรอยการถูกกัดกินเลยแม้แต่น้อยคล้ายกับว่าเสือมิเจตนาจะฆ่าอย่างเดียวหรือไม่ก็แค่เพื่อความสนุกเท่านั้นชาวบ้านตลอดชัยดงต่างเล่าลือกันว่าเสือตัวเนี้ย น่าจะเป็นเสือสมิงความบาดกลัวเสือสมิงจึงได้แพร่กระจายไปทั่วตลอดชายดงมีวันหนึง่งมีชายสูงอายุผ่านมาที่วัดเล็กๆแห่งนี้ซึ่งช่วงเวลานั้นก็เป็นเวลาที่เย็นมากแล้วชายสูงอายุก็ได้เข้าไปกราบในมัสการท่านเจ้าอาวาสและก็ขออนุญาตขอที่พักโดยขอไปพักที่ศาลาในป่าช้าตอนแรกมีจุดประสงค์จะเดินทางไปจังหวัดอ่างทองแต่เห็นว่ามันจะมืดค่าลงกลางทางก็เลยขอพักอาศัยนอนสักคืนหนึ่งก่อนพรุ่งนี้ก็จะไปต่อ ท่าเจ้าอาวาสก็ไม่ขัดข้องแต่ก็เป็นห่วงโยมสูงวัยคนนั้นท่านจึงบอกกับโยมคนนั้นว่าโยมเข้ามานอนในกุฏิเนียนจะดีกว่านะเพราะตอนเนี้มีข่าวเล่าลือว่ามีเสือสมิงมันออกมาอาลวาดที่ศาลาในป่าช้านั้นน่ะไม่มีฟ้าปิดกั้นมิดชิดเป็นศาลาโลง่โลงๆหากเสือสมิงมันมาป่วนเปลี่ยนจริงๆมันจะเกิดอันตรายกับโยมได้นะเป็นพระคุณล้นหัวที่พระคุณเจ้าเบตาขอรับแต่กระผมชอบจะนอนที่โลง่โลงๆ ล้มโกรกเย็นสบายดีส่วนเรื่องเสือสมิงอะไรนั่นน่ะแต่ผมคิดว่ามันคงไม่กล้ามาอาราวาสในเขตวัดวาอารามหรอกครับใช้สูงอายุผู้นี้ไม่แสดงความบาดกลัวเสือสมิงเอาซะเลยแม้ท่านเจ้าอาวาสจะทักท้วงและชวนให้มานอนในกุฏิเพื่อความปลอดภัยแต่ใช้สูงอายุก็ยังดื้อรั้นดันทุรังไม่ยอมรับคําแนะนําด้วยความหวังดีและด้วยเหตุนี้ค่าคืนนั้นใช้สูงอายุจึงสะพายย่ามไปนอนที่ศาลาในป่าช้าคนเดียว และนับเวลาดึกดื่นมากๆเกือบจะสว่างคืนนั้นพระเนนทั้งวัดก็พากันตื่นหมดทุกรูปเนื่องจากได้ยินเสียงของเสือร้องคำรามกราดเกลียวดังมาจากทางป่าช้าเสียงนั้นแสดงว่าเสือมันได้เข้าไปที่ป่าช้าอย่างไม่ต้องสงสัยแต่จะเป็นเสือธรรมดาหรือว่าเป็นเสือสมิงก็ยากที่จะคาดเดากันได้ท่านเจ้าว่าเป็นห่วงชายสูงอายุาณนั้นจริงๆคิดว่าพระความดื้อรั้นแท้ๆป่า น, นี้คงกลายเป็นเหยื่อของเสือ ต, ตัวนั้นไปแล้วเสียงเสือที่มันร้องคำรามกระหึมนั้น ฟังดูคล้ายกับว่ามันกําลังต่อสู้อยู่กับอะไรเพราะมีเสียงผุมไม้ปั่นป่วนสลับกับเสียงเสือร้องขู่คำรามอย่างเกรี้ยวกราตลอดเวลาเสียงอึงอนที่ได้ยินนั้นดังอยู่นานพักใหญ่ก็งเงียบสนิทลงทําให้พระและเนนคาดเดาอะไรกันไม่ได้ต่างลงความเห็นว่าเสือคงจะพระไปแล้วและเมื่อไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกเป็นเวลานานพระและเนรในวัดจึงแยกย้ายกันไปจํำวัดโดยไม่ลืมลงกรอนประตูหน้าต่างอย่างแน่นหนาเช้าวันรุ่งขึ้น พระเนนกลับจะบินทบาดกันแล้วก็ได้ไปรวมกลุ่มกันที่ป่าช้าโดยมีท่านเจ้าอาวาสเป็นผู้นำขบวนเข้าเขตป่าช้าใกล้จะถึงศาลาเล็กๆซึ่งใช้ประกอบพิธีทําศพนั้นพระเนนก็เห็นพุ่มไม้พงหญ้าแถวนั้นกระจัดกระจายปั่นป่วนคล้ายกับมีสัตว์ใหญ่สองตัวสู้กันร่องรอยผิดปกติเหล่านั้นแสดงว่าการต่อสู้จะต้องดูเดือเดเลือดพรานอย่างแน่นอนพุ่มไม้แหลกลานเป็นแทบ เมื่อพระเนนเดินใกล้ถึงกับศาลาซึ่งเชื่อว่าชายสูงวัยผู้นั้นคงจะนอนตายกลายเป็นศพไปแล้วกลับแทบไม่เชื่อสายตาเนื่องจากชายสูงวัยคนดังกล่าวนั่งอยู่อย่างสบายอารมณ์ไม่มีร่องรอยว่าจะถูกเสือขบกัดเลยแม้แต่น้อยพอเห็นพระเนนเข้าไปในป่าช้าชายสูงวัยก็รีบลงมาจากศาลานั่งคุกเขา่าพนมมืออย่างนอบน้อมท่านเจ้าว่าจึงถามว่าเมื่อคืนเนี้ยอัตมาและพระเนนทั้งวัดได้ยินเสียงเสือร้องขู่คำรามดังมากจากป่าช้าเนี่ย คิดไม่ยมอาจจะได้รับอันตรายจึงได้รีบมาดูไม่ทราบว่ามีเสือมันเข้ามาที่นี่ใช่หรือไม่ชายสูงวัยก็ตอบว่าโอ้เมื่อคืนเนี่ยตอนใกล้รุ่งมีเสือเข้ามาที่ป่าช้าจริงๆขอรับแต่กระผมไม่ประมาทผมได้ทําควายธนูวางดักเอาไว้หลายตัวเมื่อเสือมันมามันจึงเจอกับควายธนูก่อนเสือกับควายธนูมันสู้กันอยู่นานพักใหญ่เสียงดังมากเห็นว่าเสือมันคงจะสู้ควายธนูของผมไม่ได้มันจึงหนีไป จากคำบอกเล่าของชายสูงวยัยยุแสดงว่าเขาคือผู้มีวิชาอาคมขลังพอตัวจึงได้ทําควายธนูเตรียมไว้ป้องกันตนเองได้หลังจากพูดจบชายสูงวัยุก็ได้พาท่านเจ้าอาวาสและพระเนนไปดูร่องรอยของควายธนูที่ต่อสู้กับเสือจนพุ่มไม้พุ่มหญ้ามันแหลกยับนอกจากจะปรากฏว่าต้นไม้ใบหญ้าขาด ก, กระจายกันแล้วยังมีรอยเลือดของเสือหยดเป็นทางตัดออกจากป่าช้าไปด้วย จากรอยเลือดที่เห็นนี้ชี้ชัดว่าเสือได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่น้อยชายผู้สูงอายุและพระเนนจึงได้ติดตามรอยเลือดไปเรื่อย เ, เป็นเรื่องน่าแปลกที่รอยเลือดนั้นหยดเดือดราดเป็นทางไปยังกุฏิท้ายวัดซึ่งเป็นที่ที่มีพระเขมรมาพักอาศัยอยู่รอยเลือด ก, ก็หายเข้าไปในกุฏิเมื่อชายสูงอายุเปิดประตูกุฏิออกก็พบว่าพระเขมรรูปนั้นได้มรณภาพไปแล้วที่ร่างของท่านมีบาดแผลเวอะแวก ฉีขาดคล้ายกับถูกเขาสัตว์ทิ่มแทงตวัดขึ้นเป็นแผลชะกันจากสภาพของพระเขมรที่มรณภาพเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าแท้ที่จริงพระเขมรรูปนี้ก็คือเสือสมิงตัวที่ออกมาลวาดรังควานชาวบ้านใช้ดวงนั่นเองฆ่าทั้งสัตว์เลี้ยงและสังหารคนเคาะร้ายไปหลายคนการที่พระเขมรกลายเป็นเสือสมิงนี้คงเนื่องมาจากเล่าเรียนวิชาเสือสมิงจนแก่กล้าและเมื่อจำแลงแปลงกายเป็นเสือได้เพื่อทดลองวิชา ก็คงจะไปทําผิดคําสั่งครูจนไม่สามารถควบคุมความดุร้ายตามสัญชาตญาณของสัตว์ป่าไว้ได้จึงได้ตะเลิอดออกอาละวาดสังหารวัวควายแล้วก็กําเริบปิดชีวิตผู้คนอย่างปาเจากสํานึกผิดชอบชั่วดีแต่บังเอิญมาเจอกับชายสูงอายุที่มีวิชาดีไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันสามารถเสกควายธนูป้องกันตัวไว้ได้ซื้อสมิงจึงถูกควายธนูหลายตัวลุมผิดจนเกิดแผลชะกันจนต้องสมสารห น, นีกลับกุฏิและเมื่อพาร่างกลับมาแล้วก็คงจะทนพิษบาดแผลไม่ไหว จึงทาให้สิ้นใจลงที่กุฏิหลังนี้นี่ก็คือเรื่องราวที่เล่าขานเรื่องควายธนูหรือควายอาคมเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องอิทธิฤทธิ์ของควายธนูมาเล่าให้ได้รับรู้กันอีกเรื่องนะครับควายธนูที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อชุ่มจันทโชธวัดท่ามเดือ่อหรือวัดอุทุมพรทารามอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีวัดท่ามะเดือ่อหรือวัดอุทุมพรทารามในปัจจุบันสร้างประมาณปีพุทธศักราช2 4งพ มีหลวงพ่อชุ่มจันทโชตเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกประวัติของหลวงพ่อชุ่มก็ไม่ปรากฏรายละเอียดที่ชัดเจนนักเท่าที่ทราบก็รู้แต่เพียงว่าถิ่นฐานบ้านเกิดของท่านอยู่ที่ดอนยายหอมอําเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมแต่บางกระแสก็ว่าท่านเป็นชาวตำบลโพหักอําเภอบางแพจังหวัดราชบุรีแต่ที่แน่ชัดยิ่งกว่าอื่นใดก็คือท่านเป็นพระปฏิบัติสายวิปัสนาธุระมีความเชี่ยวชาญในทางสายเวทพุทธคมเป็นที่เรื่องลือ กล่าวได้ว่าเป็นพระที่มีอภิญญาแห่งลุ่มน้ําแม่กลองรูปหนึ่งในทุกๆปีหลวงพ่อชุ่มจะลงไปส่งน้ําในแม่น้ําแม่กลองซึ่งไหลผ่านหน้าวัดหนึ่งครั้งถึงเวลาท่านลงไปส่งน้ําในแม่น้ําก็จะมีชาวบ้านทั้งตําบลพากันมาดูท่านส่งน้ําเต็มตลิ่งที่มาดูเพราะเนื่องจากว่าขณะที่หลวงพ่อชุ่มส่งน้ํานั้นจะมีจระเข้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาใกล้ๆท่านว่ายน้ําดําบนเวียนผุดไปรอบๆตัวท่านบางครั้งก็จะฟาดหาง ตีน้ำแตกกระจายดังตุมตามบางครั้งก็จะไหวยเข้ามาเอาตำตัวมาเบียดเสียดกับตัวท่านท้ายกับว่าแสดงความจงรักภักดีความเคารพสําหรับหลวงพ่อชุ่มนั้นท่านก็คงจะส่งน้ําตามปกติไม่ได้แสดงความบาดบันต่อโจระเคตัวนั้นแต่อย่างใดหลังจากท่านส่งน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วและกลับขึ้นไปบนฝั่งโจระเคดังกล่าวก็จะจมหายลงน้ําไปเหตุการณ์เป็นที่อัศจรรย์เช่นนี้จะเกิดขึ้นทุกปีไม่มีผู้ใดทราบว่าเพราะเหตุใด จึงมีจรเข้ใหญ่ขึ้นมาทุกครั้งที่หลวงพ่อชุ่มลงไปส่งน้ําหลวงพ่อชุ่มองค์นี้เป็นญาติสนิทกับโยมบิดามารดาของหลวงพ่อเงินจันทสุวรรณโนวัดดอนยายหอมจังหวัดนคปรปฐมหลวงพ่อเงินมีสักเป็นหลานจึงเรียกหลวงพ่อชุ่มว่าหลวงนาตอนหลวงพ่อเงินเป็นเด็กได้มาเป็นศิษย์ของหลวงพ่อชุ่มที่วัดธรามะเดือ่อและได้บวชเน้นที่วัดนี้เล่าเรียนเขียนอ่านอักษรกไทยจนแตกฉานเมื่ออายุครบบวชจึงได้เข้าพิธีอุปสมบท เป็นพระภิกษุที่วัดธรรมเดือแห่งนี้เรื่องควายธนูเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อชุ่มมีเหตุมาจากท่านไปดูแลบ้านน้องสาวของท่านที่ดอนเหหอมจังหวัดนคนปรปฐมช่วงเวลานั้นเป็นเวลาเกี่ยวข้าวสามีของน้องสาวหลวงพ่อชุ่มก็จะไปช่วยเกี่ยวข้าวด้วยที่บ้านแผ้วการทํานาสมัยก่อนเป็นงานที่ต้องใช้คนมากเพื่อให้งานนั้นเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กําหนดเช่นดำนาเกี่ยวข้าวเพื่อนบ้านญาติพี่น้องซึ่งเป็นวงศาคนาญาดก็จะไปช่วยกันทั้งหมด เรียกว่าลงแขกเป็นการเอาแรงงานไปช่วยกันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าจ้างการลงแขกนี้จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปตามที่นาของแต่ละคนเมื่อสามีของน้องสาวหลวงพ่อชุ่มได้ไปช่วยญยาติลงแขกที่บ้านแพ้วแล้วจึงต้องทิ้งเมียให้เฝ้าบ้านอยู่คนเดียวอันที่จริงแล้วการอยู่บ้านคนเดียวก็ไม่มีอันตรายใดๆหรอกเพราะยังมีเพื่อนบ้านและญาติพี่น้องซึ่งตั้งบ้านเดินอยู่ใกล้ๆ ก, กันคอยดูแล แต่คราวนี้ไม่ทราบหลวงพ่อชุ่มท่านรู้ได้อย่างไรว่าน้องสาวที่อยู่บ้านคนเดียวน่ะจะเกิดเหตุร้ายขึ้นจึงได้เดินทางไปจากวัดท่ามะเดือ่ออำเภอบ้านปูงไปยังดอนใยญ่หอมโดยพาหลวงพ่อเงินซึ่งขณะนั้นเป็นสัมมเนนติดตามไปด้วยไปถึงบ้านของน้องสาวก็เป็นเวลามากแล้วน้องสาวคิดไม่ถึงว่าหลวงพ่อชุ่มจะมาเยี่ยมจึงได้รีบนิมนต์หลวงพี่ให้ขึ้นไปบนบ้านจัดที่อันเหมาะสมให้กับท่านได้นั่งพักพรหลวงพ่อชุ่มบอกน้องสาวว่าคืนนี้จะขอพักที่บ้านสักคืนหนึง่ง น้องสาวจึงได้จัดห้องให้ท่านพักพร้อมกับสั ม, มนเณรเงินเมื่อถึงเวลาพรบค่าหลวงพ่อชุ่มก็หลวงเอาสีหนึ่งออกมาจากย่ามของท่านเป็นรูปควายตัวเล็กๆสารจากตอกไม้ไผ่หยับหยาบท่านบอกกับสัมานเณรเงินว่านี่คือควายธนูและสั่งให้นําไปวางที่โคนต้นมะม่วงใกล้ๆกับข้อควายแล้วก็เรียกน้องสาวมาหาสั่งกําชับว่าหลังจากตะวันตกดินไปแล้วห้ามไม่ให้ตัวน้องสาวเนี่ยกับพวกลูกๆ ล, ลงจากเรือนเป็นเด็ดขาด และถ้าหากมีรายผิดปกติเกิดขึ้นข้างนอกบ้านก็อย่าเปิดประตูลงไปดูท่านบอกเพียงเท่านั้นแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกคืนนั้นเป็นคืนเดือนข้างขึ้นเดือนหงายส่องสว่างไปทั่วหลวงพ่อชุ่มและสามเมนร เ, เงินเข้าห้องจําวัดส่วนน้องสาวก็พาลูกๆเข้านอนอีกห้องหนึง่งเวลาผ่านไปจนร่วงเข้ายามดึกทุกคนในตําบลดอนใหญหอมต่างพากันหลับไหลไปหมดที่กอไผ่ด้านหลังเขตบ้านของน้องสาวหลวงพ่อชุ่มนั้นมีชายจักรันสามคน กำลังแอบซุ่มอยู่อย่างเงียบๆสามคนนี้ก็คือมิจฉาชีพที่เป็นโจรลักขโมยควายนั่นเองพวกมันสืบรู้ว่าน้องสาวของหลวงพ่อชุ่มเฝ้าบ้านอยู่คนเดียวกับลูกเล็กๆจึงฉวยโอกาสจะลอบเข้ามาขโมยควายเมื่อเห็นว่าคนในบ้านหลับสนิทกันดีแล้วจึงย่องเข้าไปที่คอกควายโดยตั้งใจว่าจะเปิดคอกและจุงเอาควายออกไปให้หมดทุกตัวแต่พอเข้าไปใกล้กับต้นมะม่มวงพวกมันก็ต้องตกตะลึงพึงเพลิดเมื่อเห็นควายตัวใหญ่มาหืมมายืนจังก้า หวางทางในตาแดงโชนเหมือนลูกไฟไม่ทันที่ผู้ขูขโมยจะทันตั้งสติควายตัวนั้นก็ทะยานเข้ามาหา3าวัยร้ายเพ่นหนีกระเจิงแบบไม่คิดชีวิตโดยมีควายธนูตามขิดไปติดๆแต่ละคนลืมไปหมดว่าตัวเองกําลังบุกรุกเข้าไปในบ้านของผู้อื่นด้วยเจตนาทุจริตแหกปากร้องให้คนช่วยเหลือดังลั่นพร้อมกับซอยเท้าวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตขณะที่พวกลัขโมยพวกนั้นกําลังตะโกนโวยวายแล้ววิ่งหนีไปรอบบ้านสามเนนเงินได้ลุกขึ้นมามองที่หน้าต่าง ก็เห็นควายตัวมหึมาวิ่งไล่สาวายร้ายนั้นชนิดว่าวิวิดจะถึงตัวพร้อมกันนั้นบ้านใกล้เรือนเคียงซึ่งอยู่ติดติดกันนั้นก็ได้ยินเสียงที่พวกขโมยมาตะโกนบวกเบกดังลั่นจึงจุดตะเกียงเพื่อออกมาดูว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพวกขโมยเห็นชาวบ้านนั้นตื่นกันหมดแทบทั้งหมู่บ้านก็กลัวทั้งควายและชาวบ้านจึงพากันวิ่งตะลิดเปิดเปิงออกทุ่งไปเมื่อไอพวกวัยร้ายออกพ้นเขตบ้านควายทะลุตัวนั้นก็หายไปและเมื่อเช้าวันรุ่งขึ้น หลวงพ่ชุมก็บอกให้สั ม, มนเณรเงินลงไปเก็บควายธนูของท่านกลับมาสั ม, มนเนนเงินก็ไปเจอควายธนูวางอยู่ข้างกอไผ่หลังบ้านแสดงว่าสิ่งที่ตนเห็นเมื่อคือนตอนดึกที่ผ่านมาคือควายตัวใหญ่ๆที่วิ่งไล่พวกขโมยนั้นมันคือความจริงทั้งสิ้นมันไม่ใช่ตาฝาดอย่างแน่นอนและยิ่งทําให้เกิดความเคารพนับถือหลวงน้าหรือหลวงพ่ชุมขึ้นอีกเป็นทวีคูณหลังจากฉันเช้าแล้วหลวงพ่ชุมก็พาสา ม, มนเณรเงินกลับวัดถรำบเดือ ก่จะกลับท่านก็ได้มอบควายธนูให้กับน้องสาวและสั่งว่าเมื่อถึงตอนกลางคืนให้นําควายธนูไปไว้ใกล้ๆข้อควายและห้ามลงมาจากบ้านเป็นอันขาดเพราะควายธนูจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนร้ายอาจจะทําอันตรายได้เมื่อสามีกลับมาก็ให้ปฏิบัติตามที่ท่านสั่งเอาไว้แต่ท่านก็เชื่อว่าผู้ขโมยคงไม่กล้าเข้ามาลักขโมยควายอีกแล้วเพราะเท่าที่มันเจอควายธนูครั้งเดียวนั้นก็คงจะเข็ดไปจนตายแน่ นี่ก็คือเรื่องราวของไพร์ทนูหลวงพ่อชุ่มจันทโชธวัดท่ามะเดือ่อวัดอุทุมพรธารามอำเภอบ้านปุ่มจังหวัดราชบุรีหลวงพ่อชุ่มละสังขารในปีพุทธศักราช2465และหลวงพ่องเงินก็ได้ออกจากวัดท่ามะเดื่อในปีนั้นเช่นกันวิชาไสายศาสตร์เรื่องควายธนูนั้นมีผู้ผ่านพบประสบในเหตุการณ์อย่างนี้มากมายเช่นอาจารย์สมศักดิ์ตําหนิงามแห่งจังหวัดราชบุรีก็เป็นอีกหนึ่งท่าน ที่เคยไปจากในวิชานี้มาแล้วอาจารย์สมศักดิ์ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมมากพอตัวหลังจากที่ท่านได้ลาศิกขาบทกลับสู่เพศค า, าวาะก็ได้ดําเนินชีวิตอย่างสงบสมถะที่หมู่บ้านเล็กๆในเขต จ, จังหวัดราชบุรีและก็ยังผูกพันอยู่กับวัดวาอารามและก็ช่วยงานในพระพุทธศาสนาตราบจนถึงทุกวันนี้ประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาควายธนูหรือวัวธนูที่อาจารย์สมศักดิ์เคยไปจากนั้นมีรายละเอียดว่า เมื่อครั้งที่อาจารย์สมศักดิ์ครองเพศพรหมจันทรท่านได้ถือธุดงเป็นวัดโดยตลอดถึงการเข้าพรรษาเมื่อใดก็จะจำพรรษาตามวัดตามบาทที่อยู่ตามพื้นที่นั้นๆครั้นเมื่อออกพรรษาแล้วก็จะออกจาริกธุดงเพื่อปฏิบัติภาวนาต่อไปออกพรรษาในปีหนึ่งอาจารย์สมศักดิ์ท่องเที่ยวธุดงไปทางจังหวัดนครนายกและขณะปักกรดอยู่ที่ชายป่าติดต่อกับชายทุ่งซึ่งห่างไกลาจากหมู่บ้านพอสมควรท่านก็ได้พบกับหลวงตาทองซึ่งเป็นพระเขมร หลวงตาทองท่านนี้มีอายุไม่ต่ำกว่า60ปีแต่ก็ยังดูแข็งแรงทราบแต่เพียงว่าหลวงตาทองผู้นี้มีอายุพรรษากว่า40พรรษาท่านเป็นพระป่าชอบท่องเที่ยวทุดงเหมือนกันหลังจากที่พูดคุยสนทนากันพอสมควรก็เกิดอธัธยาศัยที่ดีต่อกันจึงได้ตัดสินใจขอร่วมทุดงไปกับท่านหลวงตาทองได้ชวนเดินทุดงไปทางภาคอีสานซึ่งอาจารย์สมศักดิ์เวลานั้นก็เห็นด้วยและก็ตกลงไปด้วยกัน จากเตขตนครนายกอาจารย์สมศักดิ์กับหลวงตาทองมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเดินลัดตัดทุ่งตัดป่ากันไปเรื่อยๆสถานที่ใดเห็นว่าเหมาะต่อการภาวนาก็จะหยุดยั้งปฏิบัติภาวนาเป็นเวลาหลายวันจากนั้นก็เก็บอัฐบุิขานจึงเดินทางกันต่อไปอีกใช้เวลานานา น, นับเดือนกว่าจะถึงจังหวัดศรีสะเกดจําได้ว่าได้เดินผ่านเขตอําเภอขุกขันไปตามชายดงบริเวณนี้มีหมู่บ้านของชาวขเขมรต่ําอยู่เยอะ สร้งเป็นบ้านเรือนอยู่เป็นย่อมยอมหลวงตาทองเตือนอาจารย์สมศักดิ์ว่าชาวบ้านในพื้นที่นี้แม้จะมีจิตอันเป็นกุศลในการทําบุญใส่บาตเช่นชาวพุทธทั่วไปแต่เขาก็ยังนับถือผีควบคู่กันไปด้วยและในกลุ่มของสุจริตชนทั้งหลายนั้นก็ย่อมมีพวกมิจฉาทิฐิปะปนอยู่ไม่ใช่น้อยคนพวกนี้ชอบเล่นคาถาอาคมทั้งสายเวทอย่างลุ่มหลงเลยทีเดียวเมื่อเห็นพระธุดงค์จาริกผ่านมาก็มักจะแสดงลองของตนเองเข้ากับพระธุดงค์ เนื่องจากมีความเชื่อว่าพระธุดงจะต้องมีวิชาติดตัวไม่เช่นนั้นก็ยอมไม่กล้าที่จะอยู่ตามป่าเขาตามลําพังเป็นแน่พวกที่มีวิชาอาคมทางสายเวิมักจะทดสอบทดลองวิชาของตนกับพระธุดง์ที่บังเอิญผ่านมาเสมอหากตนกระทําให้พระธุดงถึงแก่มรณภาพได้แล้วก็ถือว่ามีวิชาที่แก่กล้าเป็นคนเก่งที่สุดในชุมชนของตนแม้ว่าการใช้วิชาชั่วร้ายนี้จะไม่ส่งผลหรือทําอันตรายต่อพระธุดงนั้นได้ ก็ไม่ต้องกลัวว่าพระธุดงรูปนั้นจะทำตอบเพราะพระธุดงนั้นท่านตัดขาดจากความโกรธความแค้นอาฆาตจนหมดสิ้นแล้วการลองวิส า, ากับพระธุดงซึ่งเป็นการปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงขณะเดินผ่านไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งอาจารย์สมศักดิ์ก็สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติสิ่งผิดปกตินั้นก็คือยอดไผ่ด้วนกุดทุกกอแม้กระทั่งต้นตาลก็ไม่มียอดลักษณะด้วนกุดเหมือนกันหมดทุกต้น ตอนแรกคิดว่าจะถามหลวงตาทองว่าสังเกตเห็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่เห็นท่านมีท่าทางเงียบขึ้ผิดปกติจึงไม่กล้าจะรบกวนท่านหลวงตาทองนั้นต้องการไปให้ห่างจากหมู่บ้านแห่งนี้ทว่าเวลานั้นก็เป็นเวลาที่เย็นมากแล้วจึงจําเป็นต้องหาที่ปักกรดเพื่อพักผ่อนสําหรับคืนนี้ก็เดินลึกเข้าไปในชายป่าเห็นมีหนองน้นําและน้ําใสสะอาดอยู่จึงได้หยุดยั้งใกล้ๆหนองน้ำแห่งนั้นหลังจากส่งน้ําที่หนองน้ําเรียบร้อยแล้ว ทั้งสงรูปก็ทําวัดสวดมนต์เย็นตามที่เคยปฏิบัติก่อนจะแยกย้ายกันเข้าที่ภาวนาในกรดหลวงตาทองได้เรียกอาจารย์สมศักดิ์ไปเตือนว่าคืนนี้หากมีอะไรเกิดขึ้นผิดปกติห้ามออกมานอกกรดเด็ดขาดหรือแหวกมุ้งกรดออกดูเป็นอันขาดไม่เช่นนั้นจะเกิดอันตรายกับอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์สมศักดิ์ก็รับคําและไม่ซักไซสสอบถามให้มากความนอกจากจะปฏิบัติตามผู้อวิโส ซ, ซึ่งผ่านประสบการณมามากกว่า การปักกลดสําหรับคืนนี้ผิดปกติกว่าทุกคืนที่ผ่านมาโดยปกติหลวงตาทองและอาจารย์สมศักดิ์จะปักกลดอยู่ไกลกันพอสมควรขนาดให้ตะโกนได้ยินกันแว่วๆแต่สําหรับคืนนี้หลวงตาทองให้มาปักกลดอยู่ใกล้ๆกันเหตุผลของท่านก็เพื่อความปลอดภัยหากเกิดเรื่องร้ายแรงอย่างใดอย่างหนึง่งก็จะได้ช่วยเหลือกันได้ทันเวลาย่ําค่าวันนั้นไม่มีอะไรส่อเขาไปในทางที่ผิดปกติชายราวป่าพรายนั้นเงียบสงัด หมาสมต่อการปฏิบัติภาวนาอย่างยิ่งอาจารย์สมศักดิ์เจริญสมาธิโดยสงบตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินกระทั่งเป็นเวลาเกือบตีหนึ่งจึงได้ออกจากสมาธิเตรียมจะจำวัดแต่ยังไม่ทันที่จะเอ็นกายลงนอนนั้นก็ดียินเสียงเสียงหนึ่งดังลั่นคึกมาจากชายป่าอาจารย์สมศักดิ์ฟังเสียงนั้นก็พอจะจำแนกได้ว่าเป็นเสียงของฝูงวัวหรือฝูงควายกำลังวิ่งตเตลเอ่ยตรงเข้ามายัางสถานที่ปักกลดแม้จะมีสติตั้งมั่น แต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าดึกดื่นป่านนี้แล้วจะมีวัวควายที่ไหนแห่กันมาเป็นฝูงเกือบจะแหวกมุ้งกรดออกไปดูนึกขึ้นได้ว่าหลวงตาทองห้ามเอาไว้เป็นอันขาดว่าห้ามเปิดกรดออกไปจึงได้ยั้งมือที่เอื้อมไว้อย่างชายมุ้งกรดขณะนั้นเสียงกรีบเท้าของสัตว์ใหญ่ห่อตะบึงตรงเข้ามาจนแผ่นดินสะเทือนทําให้อดวันไหวไม่ได้เพราะถ้าเป็นฝูงวัวควายวิ่งตรงเข้ า, ม, ามันคงจะเหยียบทั้งกรดและทั้งพระแหลกละเอียดติดดินเป็นแน่ ระหว่างที่ละล้าละลางอยู่นั้นก็นึกขึ้นมาได้ว่าตรงตะเข็บมุ้งกรดมีรอยแตกอยู่รอยหนึ่งหากอาศัยมองจากรอยผ้าแตกก็ย่อมมองเห็นสภาพภายนอกได้อาจารย์สมศักดิ์จึงแนบตาเข้าที่รอยแตกนั้นเพื่อมองออกไปภายนอกด้วยถือว่าการกระทําเช่นนี้ไม่ได้ละเมิดคําสั่งของหลวงตาทองคืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายเกือบเต็มดวงแสงจันทร์ส่องสว่างไปทั่วราวไพรอาจารย์สมศักดิ์มองไปยังชายป่าก็มองเห็นภาพภาพหนึ่งที่น่าตื่นตะนก นั่นก็คือระหว่างพื้นที่ราบโล่งซึ่งเป็นทุ่งหญ้าขวางกั้นชายป่ากับร่มไม้ที่ปักกลดอยู่นั้นมีฝูงควายจํานวนมากกําลังวิ่งเบียเสียด ต, ตรงเลี้วเข้ามายังสถานที่ปักกลดและที่ยืนอยู่ต่อหน้ากรดของอาจารย์สมศักดิ์กับกรดของหลวงตาทองก็คือร่างของหลวงตาทองซึ่งขณะนั้นท่านกําลังยืนถือไม้เท้าที่เป็นลําไม้ไผ่ที่นําติดตัวมาตลอดเวลาด้วยกิริยาสำรวมสงบนิ่ง ไม่มีท่าทีกิ่งเกรงฝูงควายที่กำลังตะบึงตรงเข้ามาหาเลยแม้แต่น้อยอาจารย์สมศักดิ์เข็นหลวงตาทองยืนมั่นคงไม่หวั่นไหวเช่นนั้นก็ให้เกิดกำลังใจเข้มแข็งตามไปด้วยพร้อมกันนั้นก็ฉุกคิดวูบขึ้นมาว่าฝูงควายเขา ง, งงที่เห็นอยู่ในนั้นเห็นที่จะไม่ชอบมาพากลเป็นแน่หากเป็นฝูงควายซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านที่กำลังตื่นตเตลิดมาแล้วะก็หลวงตาทองก็คงไปเตือนให้ตัวเองได้หลบหนีไปแล้วแหละเพราะมันจะเกิดอันตราย แต่นี้ท่านกลับยืนประจันหน้าอย่างสงบนิ่ ง, งเห็นทีจะไม่ใช่ฝูงวัวควายธรรมดาซะแล้วเวลานั้นอาจารย์สมศักดิ์คิดอย่างเดียวก็คือขอฝากชีวิตไปในกำ ม, มือของหลวงตาทองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ยอมให้เกิดขึ้นสุดแท้แต่เวรกรรมฝูงควายหน้ากลัวฝูงนั้นวิ่งตะบึงใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนกระทั่งห่างจากหลวงตาทองไม่เกิน20วาอาจารย์สมศักดิ์เห็นหลวงตาทองกระแทกไม้เท้าปักลงที่พื้นดินมือข้างนึงซึ่งถือผ้าอาบได้ตวัดผ้าอาบไปทางขวาง ในพิปตานั้นฝูงวัวควายที่เห็นก็หายไปอย่างน่าอัศจรรย์ตลอดทุ่งนั้นโล่งและชายป่าก็ไม่ปรากฏร่องรอยของฝูงวัวควายแม้แต่ตัวเดียวราวกับว่าฝูงวัวฝูงควายที่เห็นนั้นเป็นภาพมายาที่เกิดขึ้นและดับหายไปต่อหน้าต่อตาอาจารย์สมศักดิ์นั่งใจเต้นอยู่แบบเงี ย, งยบๆสามารถยืนยันได้ว่าภาพที่เห็นนั้นไม่ใช่ภาพลวงตาหรือว่าตาฝาดฟั่นเฟือนไปอย่างแน่นอนนั่งแอบดูเหตุการณ์ต่อไปก็เห็นหลูงตาทองยืนสงบนิ่งอยู่พักใหญ่ ก่อนจะเดินกลับไปที่กรดของท่านอาจารย์สมศักดิ์จึงได้ละสายตาจากรอยแยกของมุ้งกรดและเอ็นกายนอนพักผ่อนและเมื่อฟ้าสางเช้าวันรุ่งขึ้นอาจารย์สมศักดิ์ตื่นออกมาล้างหน้าเพื่อเตรียมตัวออกบินธบาต ท, ที่หมู่บ้านของพวกขเเมิ้นต่ําที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 4-5 กิโลเมตรแต่หลวงตาทองบอกว่าเช้านี้งดออกบินธบาตเถอะสักหนึ่งวันเพราะตอนสายๆจะมีชาวบ้านนําพัตตาหารมาถวายเองเมื่อหลวงตาทองบอกเช่นนั้น อาจารย์สมศักดิ์ก็เชื่อและไม่ได้ซักถามท่านว่าท่านรู้ได้อย่างไรว่าชาวบ้านจะนําพัตตาหารมาถวายและเมื่อท้องฟ้าสว่างโล่งหลวงตาทองก็ได้เดินไปเก็บสิ่งจักสารด้วยตอกขนาดเล็กๆที่ตกเลือนพื้นในบริเวณที่อาจารย์สมศักดิ์แอบเห็นฝูงควายวิ่งเข้ามาหาเมื่อคืนนี้หลวงตาทองได้ยื่นสิ่งจักสารนั้นให้อาจารย์สมศักดิ์ดูและบอกว่านี่คือควายธนูคนมีวิชาในหมู่บ้านนี้มันส่งมาลองวิชา ฉันเห็นเป็นผิดสังเกตตั้งแต่เดินผ่านหมู่บ้านมาแล้วว่ายอดไผ่ยอดตาลไม่มีแสดงว่าจะต้องมีคนเล่นวิชาควายธนูจึงได้ห้ามคุณไม่ให้ออกจากกรดเมื่อคืนนี้หลวงตาทองยังอธิบายให้ฟังต่อไปว่าพวกที่เล่นวิชาอาคมมันมักจะไม่รู้จักบาป บ, บุญคุณโทษไม่มีศีลธรรมไม่สนว่าจะมีใครได้รับอันตรายจากการลองวิชาของมันหรือไม่ถ้าทําร้ายคนอื่นจนถึงตายด้วยวิชาอาคมก็จะปราบปรืมยินดีในความเก่งกาจของตนเอง หลวงตาทองบอกให้อาจารย์สมศักรู้เมื่อตอนดึกที่ผ่านมานั้นถูกพวกขมินต่ําส่งควายธนูมาถลม่มแต่ท่านรู้ตัวก่อนจึงแก้ไขไม่ให้เกิดอันตรายท่านยังอธิบายให้ฟังอีกว่าการทําควายธนูนี้มันทําอย่างไรการทําควายธนูนั้นขั้นแรกจะต้องไปเอาไม้ไผ่ที่ใช้หามศพมาก่อนเมื่อได้มาแล้วกะระยะตามความยาวเพื่อตัดลําไม้ไผ่ให้ได้ขนาดพอสําหรับที่จะใช้จักต่อ จากนั้นจะต้องใช้มีดตัดลำไผ่ทีเดียวให้ขาดเวลาจักตอกเป็นเส้นให้จักตอกทีเดียวจนสุดปลายตอกเวลาสารเป็นรูปควายก็ต้องสารเดินหน้าไปเรื่อยๆจนเสร็จด้วยตอกเพียงเส้นเดียวจากนั้นจึงนำไปปลุกเสกกระทั่งหลังเต็มที่แล้วก็ปล่อยไปให้กระทำตามประสงค์หลวงตาทองเก็บอาวตธนูที่สารด้วยตอกไม้ไผ่มากองรวมกันแล้วก็จุดไฟเผาทั้งหมดขณะกำลังเผาวัวธนูหรือปลายธนูนั้นหัวหน้าหมู่บ้านกับลูกบ้านอีก4ถึง5้าคน ได้เดินทางมาหาท่านทั้งสองรูปพอเห็นหลวงตาทองและอาจารย์สมศักดิ์เป็นปกติมีหนำซ้ำยังเผาวัวธนูควันขโมงก็ถึงกับหน้าซีดแสดงว่าหัวหน้าหมู่บ้านก็คือคนปล่อยควายธนูมาอย่างแน่นอนที่มาแต่เช้าอย่างนี้คงแค่มาดูผลงานของตนและคาดว่าพระธุดงค์สองรูปคงแหลกยับไปแล้วทว่ากลับผิดถนัดเพราะไม่มีพระรูปใดไ ด, ได้รับอันตรายเลยแม้แต่น้อยหัวหน้าหมู่บ้านเดินเข้ามาหาและสุดนั่งลงยองยกมือไหว้ แล้วก็นิมนต์ให้ท่านรอคอยสักครู่พวกเขาจะรีบกลับไปเอาพัะตาหารมาถวายจากนั้นก็กลับไปอีกสักพักใหญ่ก็แบกสํำรับกับข้าวกลับมาจริงๆก่อนจะฉันนั้นหลวงตาทองได้พรมน้ำมนต์ลงไปที่ข้าวและกลับข้าวที่นํามาถวายเพื่อตรวจดูว่าคนพวกนั้นคิดทุจริตอีกหรือเปล่าเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงได้บอกให้อาจารย์สมศักดิ์นั้นฉันได้หัวหน้าหมู่บ้านชาวเขมรต่ํานิมนต์ให้พระธุดงค์ทั้งสองรูปพำนักอยู่ที่นี่นานๆ แต่หลวงตาทองไม่รับนิมนต์หลังจากฉันเรียบร้อยและให้ศินได้พรแล้วท่านก็บอกให้อาจารย์สมศักดิ์เก็บอัฐบริขารเดินทางกันต่อนี่ก็คือเรื่องราวของปลายธนูที่อาจารย์สมศักดิ์ประสบพบเห็นพร้อมกับได้อนุญาตให้นําไปเผยแพร่ต่อได้เท่าที่ค้นคว้าหาข้อเท็จจริงมามีพระเถระระดับเกจิอาจารย์หลายรูปได้เร่าียนวิชาปลายธนูกับบัวธนูจนสามารถกระทําให้สําเร็จและเกิดประโยชน์ได้ โดยเฉพาะหลวงพ่อน้อยวัดศีสะทองอำเภอนครชัยศรีจังหวัดคนครปฐมกล่าวได้ว่าท่านสําเร็จวิชาบัวธนูหรือไวยธนูและได้สร้างบัวธนูเป็นของขลังจํานวนหนึ่งแจกให้ลูกศิษย์เพื่อให้เป็นวัตถุมงคลป้องกันตัวเองหลวงพ่อน้อยวัดศีสะทองมีเชื้อสายเป็นชาวลาวมาจากเวียงจันทร์สมัยเมื่อท่านยังเป็นพระภิกษุไวจักันได้จาริกธุดงไปตามป่าเขาเป็นวัด ได้ได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาอาคมจากครูบาอาจารย์มามากมายหลายองค์บางวิชาก็เป็นแนวสายเวทโดยตรงการที่ท่านให้ความสนใจในวิชาเหล่านี้ก็เพื่อนามาสงเคราะห์ชาวบ้านญาติโยมเมื่อได้รับความเดือดร้อนพระวิชาดังกล่าวนี้มีทั้งการกระทำและการแก้ควบพู่กันไปด้วยสำหรับวิชาวธนูหรือปายธนูไม่ทราบว่าท่านไปเรียนมาจากครูบาอาจารย์ท่านใดเมื่อท่านมาทำบัวธนูหรือปายธนูนั้น ก็ได้ดัดแปลงให้เกิดอนุภาพทางโชคลาภและเมตตามหานิยมและก็ยังสามารถป้องกันอำนาจคุณไสยและสิ่งชั่วร้ายต่างๆมีให้มากร้ำไกรเข้าถึงตัวได้พิธีทำบัวธนูหรือควายธนูของท่านนั้นจะทำในโบสถ์ภายในโบสถ์จะตั้งราดวัดคือรั้วแถวที่มีฉัดปักเป็นระยะระยะแล้วขึงโยงด้วยสายสินตามตำรับโดยรอบที่หน้าโบสถ์ตั้งแต่แพร่สูงปูราดด้วยผ้าขาวมีเครื่องบัดพรีครบครันเป็นเครื่องสังเวยเทวดา และมีธงหลากหลายสีปักโดยรอบผู้ที่ต้องการบัวธนูของหลวงพ่อน้อยจะต้องเตรียมหาครั่งมาเองครื่งนี้จะต้องเป็นครั่งที่ขึ้นบนกิ่งพุตตาและกิ่งนั้นชี้ปลายไปทางทิศตะวันออกเมื่อถึงเลิอกอันเป็นมงคลที่หลวงพ่อน้อยได้กําหนดไว้พระภิกษุลูกศิษย์ของท่านก็จะมายืนหน้าโบสถ์และเริ่มสวดชุมนุมเทวดาหลวงพ่อน้อยก็จะจุดไฟเขี่ยวครั่องและหยิบครั่องทุกชิ้นโยนลงไปเขี่ยวในกระทะพร้อมกับบริกรรมพระเวทไปด้วย เมื่อครั่งละลายตัวหลวงพ่อน้อยก็จะหยิบเอาผงพุทธคุณโรยลงไปผสมกับครั่งตัวมีคนกวนให้ผสมปนเปกันไปขณะที่กําลังเคี่ยวครั่งหลวงพ่อน้อยก็ได้กลับเข้าไปในโบสถ์แล้วก็นั่งอยู่เบื้องหน้าพระประธานใกล้ที่นั่งของท่านมีแผ่นโลหะตัดเอาไว้เพื่อทําตะกุดมีแผ่นทองแดงแผ่นเงินและแผ่นทองเหลืองจากนั้นท่านก็จะลงอักขระลงบนแผ่นตะกัวและปลูกเสกทีละแผ่นก่อนจะม้วนเป็นตะกุดเมื่อได้ตามจํานวนที่ต้องการแล้ว ท่านจะบรรจุตะกรุดเข้าไปไว้ในโครงลวดซึ่งมัดให้มีรูปร่างคล้ายวัวตัวเล็กๆโดยวางตะกรุดไว้ที่ช่วงลำคอของวัวเมื่อครั่งละลายเหนียวดีแล้วพระลูกศิษย์จะตักเอาครั่งมาปิดทับโครงลวดที่ผูกเป็นรูปวัวตกแต่งให้มีลักษณะคล้ายวัวมากที่สุดจากนั้นก็จะนําวัวที่ทําด้วยครั่งไปให้หลวงพ่อน้อยปลุกเสกอีกทีหลวงพ่อน้อยก็จะวางบูธนูตัวนึงให้อยู่ด้านหน้าสุดโดยถือว่าเป็นหัวหน้าฝูงโดยหันหัวบูธนูไปทางทิศตะวันออกทั้งหมด และท่านก็จะปลุกเสกและประพรมน้ำมนต์เป็นเวลานานพอสมควรจึงเป็นอันว่าเสร็จพิธีในจำนวนวัวธนูของหลวงพ่อน้อยนั้นมีบางตัวที่ท่านลงอักษรเลขยันเทาะมหาพรมที่ส่วนลำคอเอาไว้ด้วยหากวัวธนูตัวใดที่หลวงพ่อน้อยลงยันอักษรไว้จะเป็นที่ต้องการของบรรดาผู้ลูกศิ์เป็นพิเศษเนื่องจากเชื่อว่ามีพลังความขลังสูงเมื่อได้วัวธนูไปบูชาแล้วท่านก็ให้บูชาต่ำกว่าพระพุทธรูปโดยให้วางไว้บนผ้าขาว หาแก้วน้ําเล็กๆใส่น้ํามาวางตั้งไว้ตรงหน้านานๆครั้งก็ให้นําหญ้าไปวางคู่กับแก้วน้ําเรียกว่าหญ้าเลี้ยงวัทนูวัวนูของหลวงพ่อน้อยนั้นปรากฏความเข้มขลังเป็นที่ประจักษ์หลายครั้งหลายหนซึ่งผมก็จะขอยกตัวอย่างไว้อีกสักเรื่องหนึ่งเหตุการณ์ของเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีโดยเกิดขึ้นกับคุณจิรภาขอปิดตามสกุลไว้นะครับคุณจิรภานั้นเปิดร้านประดับยนต์ที่จังหวัดราชบุรี กิจการเจริญรุ่งเรืองล้ำหน้ากว่าร้านประเภทเดียวกันอย่างมากการที่ร้านของคุณจิรภาประสบความสําเร็จในธุรกิจอย่างงดงามจึงทําให้มีคนอิจฉาอย่างรุนแรงหากแต่แค่ความรู้สึกอิจฉาทิ่ยานั้นก็ไม่ว่าอะไรกันหรอกแต่บุคคลนั้นกลับคิดทําร้ายต้องการให้คุณจิรภาประสบความพิบัติอย่างคันตาเห็นจึงได้ไปติดต่อหมอคุณใสให้มากระทําร้ายต่อครอบครัวของคุณจิรภาด้วยอาคม พื้นที่ของจังหวัดราชบุรีเป็นที่อยู่อาศัยของชนชาวกะเหรี่ยงหลายเผ่าพันธุ์หลายชุมชนชาวกะเหรี่ยงเหล่านี้ขึ้นชื่อว่ามีวิชาอาคมทางสายเวทเข้มแข็งมากดังนั้นจึงเชื่อว่าบุคคลดังกล่าวคงไปว่าจ้างให้ผู้มีวิชาอาคมชาวกะเหรี่ยงกระทำร้ายคุณจิรภาวันหนึ่งลูกสาวคนเล็กของคุณจิรภาเกิดไม่สบายมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงคุณจิรภารีพาลูกไปพบแพทย์และได้รับการตรวจอย่างละเอียดแต่ก็ไม่พบความผิดปกติใดๆ แพทย์ก็ได้แต่ทําการรักษาอาการใกล้เคียงแล้วก็ให้กลับมาบ้านแต่เมื่อกลับมาบ้านก็ยังปวดท้องไม่หายสักทีนอกจากนั้นยังมีอาการคุ้มครั่งคล้ายโรคประสาทแทรกซ้อนขึ้นมาอีกคุณจิรพาได้พาลูกสาวไปพบแพทย์หลายครั้งหลายโรงพยาบาลแม้แต่ในกรุงเทพก็เคยพาเข้ามาแต่นายแพทย์ต่างยืนยันว่าตรวจไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆทั้งสิ้นทาให้ตัวคุณจิรภานั้นกลุ่มใจมาก ต่อมามีคนรู้จักกันทราบว่าลูกสาวคุณเล็กของคุณจิรภานั้นเจ็บป่วยด้วยอาการประหลาดจึงได้แนะนําว่าให้ลองพาลูกสาวไปหาหมอพระที่วัดดูเพราะพระรูปนี้เป็นพระผู้มีวิชาอาคมและเป็นศิษย์ของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองบางทีอาจจะช่วยได้คุณจิรภาก็เลยพาลูกสาวไปพบพระอาจารย์รูปนี้ท่านได้ตรวจดูด้วยทางในก็บอกกับคุณจิรภาว่าลูกสาวถูกหมอคุณใสกระทําโดยมันจะส่งสิ่งเลวร้ายเข้ามาเป็นระยะระยะ เมื่อใดที่ของชั่วร้ายเข้าตัวก็จะรู้สึกเจ็บปวดและมีอาการคุ้มครั่งเป็นระยะระยะในวันนั้นพระอาจารย์จึงลงมือแก้ไขให้โดยใช้ผ้าขาวคุมร่างของลูกสาวคุณจิรภาไว้แล้วนำอาวุธนูของหลวงพ่อน้อยไปวางไว้ที่กรอบหน้าต่างกุฏิและใช้ผ้าขาวผืนเล็กๆคลุมตัวของอวุธ น, นูอีกทีหลังจากนั้นก็เข้าที่บริกรรมวันที่คุณจิรภา พ, าพาลูกสาวไปหาพระอาจารย์นั้นเป็นเวลาเย็นมากแล้ว เมื่อพระอาจารย์ตกลงจะแก้ไขให้ท่านก็ให้คุณจิรภากับลูกสาวอยู่ต่อไปจนถึงค่ำมืดท่านบอกว่าถ้าจะหยุดยั้งการ ก, การะทำของอีกฝ่ายให้ได้ก็ต้องแก้ทันทีไม่เช่นนั้นจะแก้ไม่ทันการคุณจิรภาจึงต้องรอต่อไปพร้อมกับผู้ที่ร่วมทางไปด้วยพอเมื่อสนิทก็เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักสุนัขในวัดส่งเสียงหอนกันไม่หยุดอีกพักใหญ่ต่อมาก็มีลมแรงคล้ายกับพายุมายังกุฏิเสียงลมเสียงฝนพัดอื้ออึงพัดใหญ่ ก็ค่อยๆซาไปหายไปกระทั่งฝนหยุดตกพระอาจารย์ได้เปิดผ้าขาที่คุมร่างของลูกสาวคุณจิรภาออกแล้วก็ถามว่ารู้สึกยังไงลูกสาวคุณจิรภาก็บอกว่าอาการปวดท้องนั่นหายไปหมดแล้วและไอความรู้สึกงุนงิดที่อยากจะอาวาดมันก็หายไปด้วยพระอาจารย์บอกคุณจิรภาว่าฝ่ายตรงข้ามทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะมันพ่ายแพ้กลับไปต่อจากนี้ไปคงไม่กล้าจะส่งอะไรมาทาร้ายอีกแล้ว พระอาจารย์ลุกไปหยิบอวอัวธนูที่คลุมผ้าขาวออกมาดูเห็นตรงเขาของวอัวธนูมีเลือดสีแดงเปื้อนติดเขาคุณจิรภาเห็นแล้วถึงกับขนลุกถามพระอาจารย์ว่าเพราะอะไรทําไมจึงมีเลือดมาติดอยู่ที่เขาของวอัวธนูได้พระอาจารย์ก็ตอบสั้นๆว่ามันถูกผิดไส้ไหลกลับไปแล้วต่อจากนี้คงเข็ดหลาบไม่กล้ากลับมาอีกเป็นแน่ท่านพูดเพียงเท่านี้แล้วก็ไม่พูดอะไรอีกหลังจากนั้นเป็นต้นมาลูกสาวคุณจิรภาก็ไม่เคยเจ็บปวดในท้องอีกเลย อาการคุ้มคลั่งก็หายไปหมดทำให้คุณจิรภาเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์อย่างไม่ลังเลอีกต่อไปและเชื่อว่าวัวธนูของหลวงพ่อน้อยมีอิทธิฤทธิ์อย่างน่าเหลือเชื่อนี่ก็คือบันทึกเรื่องควายธนูกับวัวธ น, ทนูที่กระผมได้ไปหามาเล่าให้ฟังนะครับหากว่าจะขาดตกบกพร่องในเรื่องราวใดไปบ้างก็ขออภัยนะครับขอบพระคุณสาหรับการติดตามและคาแนะนาคาติชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ